มังกรหยดยดภาคสา ตอนที่ย0ตสนบสตอนิ้งตึงการที่เกิดมาแล้วไม่ยึดติดสร้างความสำเร็จแล้วไม่แสดงความเป็นเจ้าของเติบโตแล้วไม่ถูกยึดครองล้วนเป็นความสัมพันธ์อันลี้ลับเปลี่ยนไปด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ มีความลึกล้ำอย่างใหญ่หลวงสมควรเรียกเป็นสเสวียนเตอ๋อคือคุณธรรมอันล้ำลึกมาศจัดจังสำนักไกลบุภาบัตรนีคลาคล่ำไปด้วยเหล่าหมู่สิทธิ์สิทธิ์ใหม่เข้ามาก็มากแม้สิทธิ์เก่าที่ห่างล้างไกลก็หวนคืน ลานไล้การเวลาจึงดูคับแคบไปถนัดตาผู้คนยามเช้านี้ต่างขมีขมันทาหน้าที่ของตนอากาศยามเช้าสดชื่นเบิกบานพลันเสียงกระหือกระหอบของพ่อบ้านตัวแปะชิวที่วิ่งพลางตะโกนพลางมาที่ลานไล้การเวลาพวกเราพวกเราดูสิ ใครมาใครมาท่านเจ้าสำนักท่านเจ้าสำนักท่านรีบออกมาเร็วไวไล่หลังตัวแปะชิวปรากฏชายร่างสันทัดสง่าสุ ข, ขุมหัวรอเบาๆอย่างสุขใจเดินนำผู้ติดตามมาอีกสองท่านที่แท้ใช่ใครอื่นคือท่านมังกรที่วาผู้เท่าประหลาดและชายหนุ่มแปลกหน้าอีกหนึ่งคน ท่านมังกรที่ว่าผู้เท่าประหลาดใช่ท่านจริงๆท่านกลับมาแล้วเหล่าสิทธิ์เก่าสำนักต่างกลูกันเข้าแสดงความเคารพอย่างดีใจยิ่งต่างสอบถามสารทุกสุกดิบกันวุ่นวายโอหยางสั่งซึ่งเดินออกจากหอพระคำผีเพราะได้ยินเสียงเอืออึงที่ผิดแผกกว่าทุกเชา้าที่แท้เพราะท่าน ข้าน้อ ย, อยดีใจยิ่งที่ท่านมังกรทิทวาและผู้เท่าประหลัดกลับม า, มาท่านมังกรทิวารับคารวะจากโออย่างสางพลางเดินนำหน้าเข้าสู่ห้องโถงภายในของสานักไต้บุผาท่านมังกรทิวากล่าวขึ้นทันทีโดยไม่รอให้โออย่างสังได้ทันกล่าวถามไถ่ใดจทั้งสิ้น หลายปีมานี้แม่นางต้องเหน็ดเหนื่อยแทนข้าในการดูแลและปกคองเราสองสิ่งข้าต้องขอบใจแม่นางมากเรื่องราวในยุทธภพนี้ข้าถึงแม้จะอยู่บนเขาหง่ไทยสัวแต่ข้าก็ทราบดีว่าแม่นางต้องเผจิญความเหน็ดเหนื่อยและความลำบากใจเพียงไรในชาวยุทธพพสิ่งการเวลาได้พิสูจน์แล้วว่าแม่นาง เป็นผู้ที่พร้อมแล้วที่จะขึ้นเขาหมูไทยสัวของขาเพื่อฝึกฝนวิถีธรรมที่สูงสุดต่อไปและในวันวันข้าลงเขามาเพื่อรับแม่นางไปด้วยกันแม่นางจะขัดข้องไหมใบหน้าโอหยางสั่งฉีดสีชมพูเฉกเช่นกีบกุหลาบแลกเย็ในยามที่ดีใจดุจดังโลกทั้งใบมะกองแทบตัก ท่านพูดจริงหรือท่านมังกรที่ว่าข้าน้อยรอวันนี้มันนานนับแปลมปีเพียงเพื่อแทนคุณซื้อแปบของข้าท่านภิกษุพบสิง์ต้าองฟูสู้อดทนต่อการต่อกนของเหล่าสิทธิ์พบสิ่งทั้งหลายเพียงเพื่อให้มีสิทธิ์ขึ้นเขากับเขาบ้างพอแท้จริงใจข้าท่านย่อมรู้ดีว่ามิชอบด้วยกิจการใดในโลกล่ะข้ามีสุขเสียวคือหึกในธรรมเท่านั้น ข่นมังกรที่วาพูดพล่าแม่นางหากปนิธานคือเปลวไฟที่เผาเจนแม่นางแดงฉานทั่วไปปัญญาก็คือ น, น้ำเย็นที่ห ล, ล่อหลอมให้แม่นางเป็นเหล็กกล้าฉะนั้นเวลานี้แม่นางควรที่จะพร้อมที่จะถูกเป็นกระบี่เหล็กน้ำผีวันนี้ข้ามารับนางขึ้นเขา อีกคั้งมาสั่งงานเพื่อสารต่องานอันยิ่งใหญ่ของท่านพิสุขพอบซิงต้าองฟูแม่นางบอกเราสิทั้งหมดมาชุมนุมเพื่อรับคำสั่งของท่านพิสุขพร้อมกันที่นี่ในอีกหนึ่งชั่วยามเถื่อนท่านมังกรพิว่าพูดพางเรียกตัวแปะฉิวพอบ้านให้เคาะระฆังชุมนุมเราสิทั้งหมดของเราสํานักไตบุกผา ซึ่งต่างทยอยเข้ามาและรับทราบข่าวการจะขึ้นเขาของเจ้าสำนักไตบุกผาโอหยางซ่างาล้วนมีสีหน้าบ่งบอกถึงความอาลัยแต่ไม่กล้าเอื้อนเอ่ยว่าจะใดออกมาห้องโถงแม้กว้างใหญ่บัดนี้มีผู้คนมากมายแต่ไร้สรรพเสียงดุดดังผู้คนลืมหายใจกระงนัน ท่านมังกรที่วาลุกขึ้นประกาศท่ามกลางเหล่าสิทธ์พร้อมแนะนำชายหนุ่มรูปงามผู้แปลกหน้าเหล่าสิทธิจงฟังคาสั่งนี่คือท่านหูหูสิทธิของท่านมหาสมณะบอเสียงใต้เสียงสื่อจะเป็นเจ้าสำนักใต้บุพภารุนที่สามต่อจากแม่นางเทพธิดาทะเลใต้อย่างสั่ง ซึ่งต้องตป็นตามข้าเพื่อขึ้นเขาไปฝึกปือวิถีทำที่สูงต่อไปพวกเจ้าจงคลรวะเจ้าสำนักคนใหม่เสียงเสียงแซ่อื้องไปทั่วห้องทำไมทำไมจะต้องเปลี่ยนเจ้าสำนักใหม่ด้วยเล่าพวกเรารักและเคารพเจ้าสำนักโอยังสร้างทุกท่านหยุดหยุดฟังข้าข้า นี่คือความต้องการของขวาผู้ขัดขัดฝังขวาย่อมถูกทำลายการใดย่อมทำมีเงิ้นมีหนับแดนี้ไปหนึ่งฤดูกาลผู้คนจะมากมายและจะทุกข์เข็นเนื่องเพราะถึงค้าที่จะถึงไทยพิบัติเราสิทธิจงฟังคำสั่งค้าให้ดีพวกท่านจะต้องมีหน้าที่อีกมากมายที่จะช่วยกอบผู้ภัยทั้งมวล ผู้คนจะหลั่งไหลมาให้พวกเจ้าเช็ดน้ำตาแห่งความทุกข์ยากแม้สถานที่แห่งนี้ยังรองรับผุ้ชนชีมพอพวกเจ้าจะต้องเร่งรีบก่อสร้างสถานที่ใหม่ที่ใหญ่โตกว้างขวางกว่านี่ห้าเท่าตัวที่ดินฝั่งตรงข้ามสำนักไต้หวัผามีมากเพียง่อจงซื้อและสร้างศาลาเพื่อไม่สักขึ้น เพื่อการรองรับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นให้ทใชัยาได้ฉาบและเนื่องเพราะท่านผู้มีคุณสมบัติที่จะรองรับงานนี้ท่านมหาสมณะไต้เสียงเสียงซื่อจึงยินยอมให้มารับงานนันสืบต่อจากแม่นางเทพธัญาทะเลใต้พวกเจ้ากระโหลกทรัพยสิ่งย่อมเกิดขึ้น ดำหลงอยู่ได้ชั่วขณะหนึ่งแล้วย่อมดับไปเป็นธรรมดาแม่นางเน็้อเนยแทงข้ามากเมื่อภารกิจจะสิ้นย่อมต้องวางมังฉันใดก็ฉันข้ารู้ถึงคุณความดีของแม่นางโอหยังสางพวกท่านอะไรจากเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ย้ายเสียงานใหญ่เลย สิ่งแรกที่พวกเจ้าต้องทำคือการเล่งสร้างตียิงตึงตึงศาลาไม้สักในฝั่งตรงข้ามสำนักไปรปิพาของเราเพื่อลองรับสามภัยแปดทุกข์ที่จะเกิดขึ้นตียิงตึงกับสามภัยแปทุกข์กับศาลาไม้สักและการลองรับภัยพิบัติทั้งหมดคืออะไร ซ่อนเงือนขนาดไหนปวดติดตามมังกรหยกภาคสามตอนต่อไป